กราบนบัสการพระอาจารย์ครึกฤิ์สุทิพรโรที่เคารพอย่างสูงของการอบรมรวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรพุทธวจานะโดยยุคพุทธกาสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งนําการสอนโดยพระอาจารย์นั้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการอบรมรวิปัสสนากรรมฐานในหลักสูตรดังกล่าวให้กราบพระราชทานพระอาจารย์ได้โปรดแม่ตา ให้ธรรมะเป็นฐานให้แนวทางในการประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในชีวิตประจำวนันแก่ผู้เข้า ร, รับการอบรมตลอดถึงอวาสเบีดการอบรมเป็นลำดับไปข้อเก่าพระราชนาขอรับ นี้มีหนังสือและซีดีมาแจกให้พวกเรา น, ะนี่ก็จะเป็นแผ่นแผ่นภาพที่รวมความสำคัญของคำพระศาสดาเราจะได้ไปศึกษากันต่อไปเพื่อ ให้เกิดความคล่องแคล่วนะเพื่อเป็นกำลังให้พระศาสดาแล้วก็ตัวเราเองจะได้หลุดพ้นได้จริงด้วยนะเพราะถ้าข้อมูลผิดนะเราก็เหมือนถือแผ่นที่ผิดนะแล้วก็เดินทางไปเส้นทางไหนก็ไม่รู้วิธีตรวจสอบผิดมาตรฐานผิดที่หมายผิดนะก็ลองศึกษาตรงนี้ดูนะ เราจะได้มีความมั่นใจว่าพระตถาคตท่านตรัสไว้อย่างนี้แบบที่พระองค์ตัดกับพระพัทลนะีว่าพัทลีรู้ไหมอริยบุคคลทั้งหลายเนี่ยแม้ตถาคตจะก้าวเท้าลงไปในหลมโกลนเขาก็จะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัยเพราะเขาไม่เชื่อว่าพระตถาคตก้าวผิดนะเขาจะเดินตามรอยพระบาทนะของพระองค์ อย่างไม่มีข้อสงสัย น, ะนั้นถ้าเราต้องการความเป็นอริบุคคลนะเราก็ลองเดินก้าวตามพระศาสดาโดยไม่มีข้อลังเลสงสัยนะนั่นคือคุณสมบัติของผู้ที่เลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้านะในพระธรรมของพระองค์นะในพระสงฆ์สาวกที่เดินตามรอยพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดี จนได้เป็นอะไรบุคคลอนนี้จะเป็นหนังสือที่เป็นพุทธวจนะทั้งหมดอีกเหมือนกันที่เอามาเพื่อให้พวกเราไว้ได้ศึกษาในบทธรรมต่างๆเราจะได้ทราบ อันนี้ก็จะแผ่นนี้จะเป็น d d วีดีที่รวมเรื่องที่โยมใจพบถามทั้งสามครั้งในตูน่ายโชครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามในปีที่ผ่านมาและในปีนี้นะสามรอบก็ในงานกระถินด้วยนะเขาก็ได้ไปที่งานแล้วก็ซักถามปัญหาธรรมะ ก็ได้เป็นประโยชน์แล้วเราจะได้เห็นขั้นตอนในการดำเนินภาคกตินที่ถูกต้องก็มีอีกเรื่องหนึ่งของเรื่อง d นะีเอ็กซที่ของช่องธรรมะทีวีที่หมอสองคนถามคือเรื่องกรรมนี่ก็จะเป็นประโยชน์ในการเข้าใจเรื่องกรรมซึ่งสอนผิดจาก พระศัสดาไปมากพอสมควรนะให้เราเข้าใจเรื่องกรรมในแบบที่พระศัสดาได้บัญญัติเอาไว้เราจะได้มีความกระจางแล้วก็การไปบรรยายให้พระฟังในสองที่ที่วัดป่าเขากระเจียวสีร้อยองคนะ์แล้วก็ที่วัดป่าบ้านผือที่สุรินอีกเจ็ด้อยองค์นะก็เราจะได้รู้ว่าพระสงสัยกับเรื่องอะไรนะแล้วก็ มีความเข้าใจอะไรแค่ไหนนะเราต้องสร้างบุคลากรพระที่ต้องทำความเข้าใจกับคำพระาศาสนาตัวเองอีกจำนวนมากนะอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างหนังสือเสียงนะที่อ่านในหนังสือเล่มเล็กๆอย่างนี้นะต่อไปเราก็จะมีหนังสือเสียงแนบไปด้วยในหนังสือทุกๆเล่ม แล้วก็กำลังแปลกันเป็นภาษาอังกฤษต่อไปก็จะมีหนังสือเสียงที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็เป็นหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ซีดีโปรแกรมที่บรรจุหนังสือทุกเล่มของเราไว้พร้อมกับพระไตรปิฎกบาลีสามลันะภาษาบาลีและภาษาไทยอย่างละ45่ห้าเล่มแล้วก็ของฉบับ มหามุกุฎ91เล่มมหาจุลาสี่ห้าเล่มนะมันจุลงในนี้ทั้งหมดมีในจักโพทธห้าเล่มด้วยแล้วก็โปรแกรมในการสแกนตรวจหานะคำที่เราต้องการหานะว่าเป็นอยู่ในวลีคำพูดพระศาสดาหรือไม่นะก็สามารถหาได้รวดเร็ววินาทีเดียวนะถ้าเป็นชาวพุทธที่ต้องการ ความจริงความถูกต้องก็ตรวจสอบได้ในนี้นแล้วก็แถมสติกเกอร์พู้ทวจะนะให้เพื่อใครต้องการไปประชาสัมพันธ์เป็นกระบอกเสียงให้ภาษาสดะก็คงได้รับฟัง คำสอนมาพอสมควรคิดว่ า, าคงจะมีความมั่นคงในพระศาสดาของเรามากขึ้นและรู้ว่าสิ่งที่พระศาสดาเป็นห่วงเป็นใยนั่นคือบทพินาาที่คลาดเคลื่อนแล้วก็ผิดซึ่งเป็นพระองค์บอกเป็นความเสื่อมและ อายุของศา ส, สนาโดยตรงนะนั้นถ้าเราเห็นเหตุปัจจัยของความเสื่อมแล้วช่วยกันร่วมแก้ไขศานะ ส, สนาก็จะมีอายุยืนยาวต่อไปเรื่อยๆนะก็จะเป็นประโยชน์ต่ออนุชนรุ่นหลังของเราที่เดินตามมาก็จะได้ไม่เดินผิดทางแบบที่เราทั้งหลายก็อาจจะเดินผิดมาแล้วนะและศาสนาจะเป็นปึกแผ่นมั่นคง จะไม่มีสายนั้นสายนี้นะจะมีแต่พุทธวจนะคาของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงนะที่จริงๆแล้วถ้าโยมเกิดมาในครั้งพุทธกาลโยมก็จะไม่เจอสายนะโยมก็จะเจอแต่พุทธวจนะเพราะพระทุกองจะพูดคำพระสัสจะจะไม่กล้าพูดเองนะใครพูดเองเขาจะาไปถามผู้เช้าว่าคนเนี้ยพระองค์เนี้ยพูดขึ้นมาเองเนี้ยรับฟังได้ไหมนะ ถ้าผู้เจ้ารับรองก็ถึงจะทรงจำกันนะเพราปนั้นก็ไม่เชื่อใครพระรหลานเขาก็ไม่เชื่อและพระรหลานในครั้งพุทธกาลก็พูดมาแล้วยังไม่การรับรองคำพูดตัวเองพระมหากัจจานะเป็นพระหลานผู้เจ้าชมเองว่าเป็นเอตตัคขะในด้านการขยายคํำผู้เจ้าพูดมาแล้วก็ยังไม่รับรองคำพูดตัวเองบอกให้ไปถามพระตาตาโกติกครั้งหนึ่งถ้าพระองค์ตอบอย่างไรให้จําอย่างนั้นนะ ที่มีครั้งหนึ่งที่ผู้เจ้ า, าตัดบอกสั้นๆว่านี้นี้เป็นธรรมนี้ไม่ใช่ธรรมนี้เป็นประโยชน์นี้ไม่ใช่ประโยชน์แล้วก็ลุกจากที่ประทับไปพิสุทธก็งงว่าอะไรเป็นธรรมอะไรเป็นประโยชน์เพราะผู้เจ้าให้ทําในสิ่งที่เป็นธรรมเป็นประโยชน์ก็เลยไปถามพระมหากัจจานะพระมหากัจจานะไม่ยอมตอบบอกว่าพว ก, กท่านเนี่ยพลาดแล้ว อยู่ต่อหน้าพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าดันไม่ถามไม่ถามแต่มาถามเราเปรียบเหมือนบุรุษต้องการแก่นไม้มองข้ามแก่นไม้ไปไปหาเปลือกขากระพี้หากิ่งอ่อนหาใบอ่อนหายอดอ่อนพุกท่านพลาดที่สุดเลยอันนี้พี่สุทั้งหลายก็บอกว่าก็ถามไม่ทันเนาะอืมก็เห็นพระศาสดาชมว่าท่านเป็นเลิศด้านนี้ก็เลย คิดว่าคงจะพอตอบได้พระมากาจารย์นั้นก็เลยบอกอถ้าอย่างนั้นก็เรามีความเห็นอย่างนี้นะท่านก็เลยอธิบายไปซึ่งคําอธิบายของพระมาการจานะถ้าเราไปตรวจดูแล้วก็จริงๆเป็นคําพระตถาคต <นะ S 1> ก็คือพูดถึงเรื่องกุศลกรรมบท10อกุศลกรรมมาบทสิ บ, อ, รรร อ, บ, สบอันนี้ไม่ใช่ธรรมอันนี้ใช่ธรรมและ น, นี้คือประโยชน์อันนี้ไม่ใช่ประโยชน์ นะพูดอธิบายจบแล้วพระมหากัจจานะเขาบอกว่าถ้าหวังความถูกต้องเนี่ยให้ไปถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเองนะตัวเองเข้าใจอย่างนี้แค่นั้นนะนั้นพิสูจทั้งหลายก็ไปถามพระพุทธเจ้าอีกทีเขาไม่ได้ทรนะงจําอย่างมั่นคงเลยนะเขากําหนดเพียงเนื้อความนั้นให้ได้แล้วก็เอาไปถามพระตถาคต ผู้เจ้าก็บอกว่าเออกัจจานะเป็นผู้มีปัญญามากถ้าเราอธิบายจะอธิบายอย่างนี้เหมือนกันเขาถึงเริ่มทรงจำํำนะถ้อยคํำของพระมหากัจจานะเราจะเห็นตัวอย่างว่าแม้ผู้เจ้าจะสรรเสริญแล้วเขาก็ไม่ได้เชื่อเลยทีเดียวต้องถามผู้เจ้าให้รับรองก่อนแล้วตัวคนพูดเองก็ยังไม่กล้ารับรองคำพูดตัวเองนะนี่ให้เราดูแง่มุมว่า สาวกยุคนั้นเนี่ยมีมีฮิลิโอต ป, ปะความละอายเก่งกลัวในพระศาสดาขนาดไหนนะและเราก็จะเห็นว่าที่พระศาสดาบอกมาว่าให้ฟังแต่คำของพระองค์พระองค์โอ้อวดตัวเองเกินไปหน่อยหรือเปล่าทำไมไม่มีพระหลานองค์ไหนประท้วงผู้เจ้าผมก็พระหลานผมก็เก่งนะแต่ไม่มีใครตำหนิหรือคัดค้านพระศาสดาเลย แม้แต่คนเดียวนะทุกคนยอมตามยอมตามพระสัสดาหมดเพราะรู้ว่าพระตาตาคตเป็นสัพพัญญูผู้เดียวในโลกนะนั้นถ้าเรามีความมั่นคงในพระตถาคตอาตมาก็ชื่อว่าศา ส, สนาจะแผ่ไพศาลไปทั่วโลกได้อีกรอบหนึ่งนะหลังจากที่เคยเป็นมาแล้วในอดีตนะสมัยพระตถาคต ที่เราเห็นหลักฐาน ต, าต่างๆกระจายไปอยู่ทั่วโลกขุดค้นที่โน่นที่นี่เจอนั้นศาสนาพุทธนั้นแผ่ไพสารไปทั่วโลกแล้วจริงๆและคณะสงฆ์ก็จะสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้คณะสงฆ์จะค่อยๆเริ่มเข้าใจแล้วก็ต้องปรับตัวเองให้มาศึกษาคำพระศาสดาเหมือนอาตามา เป็นพระมาแล้วสี่ปีเพิ่งจะมารู้อัตมาก็ต้องปรับตัวเองศึกษาแต่คำพระตถาคตเท่านั้นนะพระทุกองค์ในวัดก็จะศึกษาแต่คำพระตราคดเดินจงกรมก็เดินแบบพระตถาคตนั่งสมาธิก็นั่งแบบพระตถาคตใข้ควรติดตรึกในธรรมก็ใข้ควรแบบพระศาสดาใช่พระตถาคตของเราเป็น เป็นที่พึ่งนะที่พระองค์ให้พึ่งตนและพึ่งธรรมะนะธรรมะที่ถูกต้องจากปากของพระศัสดาพวกเธอทั้งหลายเป็นโอรสอันเกิดจากปากของพระองค์ปากพระองค์พูดคำพูดนี้เรียกว่าศาสนีศาสนงที่ประกอบด้วยปฏิหารอนุษศาสนีปฏิหารนั่นเองคำพูดคำบอกคำสอนที่ประกอบด้วยปฏิหารที่มีแต่ของพระตากฎที่คนฟังแล้วเนี่ย สามารถทำจิตให้หลุดพ้นเป็นอริบุคคลได้และอีกระดับหนึ่งก็คือสาวกที่ทรงจำคําพระสัสดาเอาไปถ่ายทอดนะอันนี้ก็เปรียบเหมือนคําพระสัสดาเหมือนกันเนะพราะสาวกไม่ได้คิดเองพูดเองแต่ทรงจําไปเหมือนที่สั่งพระนุนอาอนนท์จําสัญญาสิบประการนี้นะแล้วเอาไปพูดให้กับพระคลิมนนฟัง พระคลิมมณลฟังแล้วอาภาธจะรงับไปตามโคนแก่ฐานะหรือที่พระองค์ตัดกับพระปัฏคุณะแล้วพระปัตคุณะรัสั่งยชนธห้าได้ซึ่งพระลิมณสังเกตว่าหลังจากฟังธรรมะผู้เจ้าแล้วพระปัฏคุณะก็สิ้นชีวิตทำกาละลงแต่ชวิวันผ่องใส ย, ยิ่งนักผู้เจ้าเล่าที่บายว่านี่คืออนิสงของการได้ยินได้ฟังคาพระศ ส, สดาก่อนตาย ด้วยการที่ตนเองรละลึกถึงคำพระศาสดาได้เองหรืออย่างที่สองนะได้ยินได้ฟังจากพระศาสดาโดยตรงหรืออย่างที่สได้ยินได้ฟังจากสาวกที่จดจำนำคำพระศาสดาเนี่ยเอาไปถ่ายทอดให้เขาฟังนะเป็นกระบอกเสียงให้ผู้เจ้านะบุคคลนั้นจะได้อา น, นิสงส์หกประการตามนี้นะถ้ารัศยโยธาไม่ได้จะร้านได้ ในสามแงม่มุมนะก็คือระลึกได้เองฟังจากผู้เจ้าโดยตรงหรือฟังจากสาวกจําคำผู้เจ้ามาถ่ายทอดให้ถ้าละสังโย้าได้แล้วก็จะหลุดพ้นเป็นพระอรหันตะ์ซึ่งก็มีสามแง่มุมเหมือนกันนะรวมเป็นอนิสงส์หกประการของผู้ได้ยินได้ฟังคำพระศาสดาก่อนสิ้นชีวิตนั้นถ้าใครมีญาติพี่น้องนะก็นาเอาซีดีนี้ของพระตถาคตเนี่ยไปเปิดให้ฟัง เรามีซีดีเสียงอ่านที่พระอ่านคำพพุทธเจ้านะในเล่มใหญ่ๆอย่างนี้ทั้งเล่มนะม เ, นเราก็จะได้ได้ให้เขาฟังคำพระศาสดาล้วนๆวนไปเรื่อยๆหน้าขนาดจิตหนึ่งที่เขาเข้าใจในคำพพุทธเจ้านะเขาก็จะสามารถปล่อยวางแล้วก็ละสั่งโย์ได้ตามอนิสงส์ที่พระศาสดาได้ตรัสเอาไว้ ก็คิดว่าณวันหนึ่งคณะสงฆ์คงจะไม่มีการแยกหมู่แยกพวกเป็นนิกายเป็นวัดป่าวัดบ้านนิกายนั้นนิกายนี้นะถ้าเราปล่อยไปอย่างนี้ก็จะเหมือนกันในต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นก็สอง้อยกว่านิกายนะเพราะต่างคนต่างถือกรรมอาจารย์ตัวเองนะไม่กลับมาหาคาพรศาสนาของเรานะนั่นก็เป็นหน้าที่ของพุทธบริษัท ที่ความเจริญและเสื่อมไม่ได้อยู่ที่ภายภายนอกแต่เกิดจากภายในภายในที่ผู้ธบริษัทเนี่ยอ่อนแอเสื่อมเองเสื่อมจากคําพระศาสดาพระสงฆ์เริ่มเปลี่ยนสารณะศิลนะ์เริ่มเริ่มทุศิล์เริ่มเปลี่ยนสารณะพระสงฆ์เดี๋ยวนี้ไปนะไหว้พระปมพระภูมิไหว้เจ้าที่ มีรูปปั้นรูปหลอ่อนะสารณะเปลี่ยนจากพระรัตนตรัยไปมันจะค่อยๆเบี่ยงเบนไปเรื่อยๆนะเวลามันเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ม่ได้เปลี่ยนแปลงปุ๊บปั๊บให้เราเห็นชัดเจนแต่มันเปลี่ยนทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยนะเนื้อไม้ใหม่ที่ทำเป็นริมค่อยๆถูกตีเสริมเข้าไปบทพินชนาใหม่ที่คนนั้นก็คิดว่าเป็นความเห็นดีคนนี้เป็นความเห็นดีก็ถูกใส่เสริมเข้าไปเสริมเข้าไป ถ้าเราองค์กรชาวพุทธไม่ร่วมช่วยกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะก็อายุพัศาสนาก็จะสั้นลงและก็จะเป็นผลเสียต่ออนุชนรุดหลังของเราลูกเราหลานเรานี่แหละเห้นหลนเราจะเริ่มที่จะไม่เจอคำพัสสสดาเกิดมาแล้วจะเริ่มงงเหมือนกับที่พวกเรางงมาก่อนนะแต่ถ้าเราเกิดในครั้งพุทธกาลเราก็จะไม่งงทุกคนจะยิงตรงพัสสสดา นั้นก็ให้มองภาพให้ออกวิเคราะห์ให้เป็นให้เข้าใจนะและเราก็จะได้มาช่วยกันเป็นกำลังให้พระศาษษษสดาไม่ต้องมาเป็นกำลังให้อาจารย์คึกฤทธิ์นะเพราะอาจารย์คึกฤทธิ์ก็เป็นกำลังให้พระพุทธเจ้านะแล้วก็จะไม่มีคำพูดของอาตมานะถ้าอาตมาพูดผิดนะก็ให้ใช้คำพุทธเจ้าเป็นหลักอย่าถือคำอาตมาเพราะว่าสาวกนะ ไม่สามารถทำคำพูดได้เป็นอากาลิกโกรหรือสอดรับกันทั้งหมดหรือกาหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดได้อย่างพระตถาคตแม้แต่พระหลาก็ไม่สามารถให้เรามั่นคงในความสามารถตรงนี้กับพระศาสดาและพระองค์ก็บอกวิธีการตรวจสอบเอาไว้แล้วความสอดรับกันของคาพระศาสดาจะต้องไม่ไม่มีการขัดแย้งกันอันัพพราตุกง สอนคำผู้เจ้าน่ะนิกายจะหมดไปสายาต่างๆจะหมดไปสงจะเป็นปึกแผนน่นแน่นนาทาวร น, นะเราจะไปร้อยวัดพันวัดทุกคนจะสอนเหมือนกันเป๊ะคือพูดคำภาษาสดานะนั่นก็ค า, าดหวังไว้เท่านั้นว่าคงจะเห็นภาพนี้ได้ในยุค ข, ของเรานะแต่อาจจะไม่เกิดขึ้นง่ายนะ ถึงจะไม่เกิดขึ้นง่ายเราก็ต้องเพียรพยายามกนะ็คิดว่าคงได้ทราบเหตุปัจจัยทั้งหมดแล้วนะลองไปทบทวนดนะูซีดีถ้ามีแจกนะเราไปทบทวนดูเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะ เราก็จะค่อยๆเข้าใจในพุทธประสงค์ของพระองค์แล้วก็คิดว่าทุกคนคงจะไม่ทําตัวเป็นคนสุดท้ายในกัลยาณวัตของพระองค์นะที่พระองค์บอกเตือนเอาไว้ว่าอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายในกัลยาณวัตของเราเลยนะเพราะว่าความเสื่อมสูญถึงที่สุดมีแน่นอนนะแต่ถ้าเราช่วยป้องกันเหตุของความเสื่อม ศา ส, สนาก็จะยังมีอายุยืนยาวนะจำได้ยังมีคำพระศาสดาอยู่ในโลกนะความหลุดพ้พลาลานก็ยังมีพระลันก็ยังมีก็ฝากไว้ว่าถ้าจะศึกษาก็ช่วยศึกษาคำพระตาตาคตคือพุทธวจนะเวลาปฏิบัติก็ให้ปฏิบัติ ต, ตามคำพระต ถ, ถาคต และถ้าจะถ่ายทอดบอกสอนต่อไปนะกับผู้ที่เราต้องการสงเคราะห์ญาติสาโลหิตหรือคนที่เรารักหรือเผยแพร่สู่สาธารณชนก็ขอให้เผยแพร่คำพัสสัสดานะมั่นคงมั่นใจกล้าที่จะประกาศคำสัาสดาของเราเองออกไปให้ผู้อื่นได้ทราบกล้าที่จะน้อมนำมาปฏิบัติด้วยตนเองนะกล้าที่จะเข้าไปเรียนรู้ศึกษา อย่าไปกลัวอย่าไปแยงนะอาตมาเชื่อว่าถ้าโยมทำสามอย่างนี้นะโยมเองก็จะได้ได้ความหลุดพ้นที่ถูกต้องนะแล้วก็มหาชนก็จะนะสงบสุขนะศา ส, สนาจะอายุยืนยาวนะทุกคนจะสามารถเข้าถึงอมตะธรรมคือความไม่ตายเอาชนะมารคือความตายได้นะทำให้มาร หลงทางทำให้มันตาบอดซะ ช, ช่วยกันนั้นก็ขอฝากไว้กับทุกคนเพียงเท่านี้แล้วกันนะศึกษาพุทธวจนะปฏิบัติตามพุทธวจนะแล้วก็ถ่ายทอดพุทธวจนะออกไปในโอกาสนี้ด้วยอนิสงผลบุญที่เราได้ทำมาก็ขอให้พวกเราจงมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต คิดฝังสิ่งใดให้สำเร็จสมความปรารถนาตามเหตุปัจจัยที่ได้ทำคือสิ่งดีสมาธิดีประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาและมีสุญญากระวัดงอกกรมและก็ให้มีความเฉลิ่ก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในานาคตการันใกล้โดยเจ้าหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิดสาธุสาธุสาธุ